สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหนึ่งพงศษบทที่4ตอนสุดท้ายนะครับก็คือข้อที่29จนถึงข้อที่34 1สงบสี่หนึ่งพบทที่4ข้อที่29ถึงข้อ34โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าประทานสติปัญญากับการอย่างรู้อันลึกซึง้งและความเข้าใจอันกว้างขวางสุดคเน ดังเม็ดทราที่ใช้ทะเลแก่ซูลมมนซูลมนทรงเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าบรรดานักปราดของทิศตะวันออกและปราดทั้งปวงของอียิปต์พระองค์ทรงฉลาดกว่าใครๆรวมทั้งเอทานแห่งวงเอสราเฮมานคาโคลและดาราดาบุตรทั้งหลายของมาโฮและพระนามของพระองค์เรื่องลือไปทั่วทุกประชาชาติที่อยู่แวดล้อมทรงกล่าวสุภาษิต 3,000 ข้อ มีบทเพลงพระราชนิพน์ 1,005 บททรงพรรณนาเรื่องพืกษชาติตั้งแต่สนศีดาแห่งเลบานอนลงไปถึงต้นหูศพซึ่งงอกออกมาจากกำแพงพระองค์ยังตรัสสอนเกี่ยวกับสัตว์และนกสัตว์ไรคานและปลากษัตริย์ทุกชาติในโลกได้ยินถึงพระปัญญาของซุลมอนก็ส่งคนมาฟังพระปัญญาของพระองค์ พี่นองครับเราจะเห็นได้ว่าสติปัญญาหรือในภาษาฮีบรูเรียกสติปัญญาฮอกมาฮอกมานั้นมาจากพระเจ้าครับและฮอกมานั้นครอบคลุมถึงสติปัญญาฝ่ายวิญญาณและสติปัญญาฝ่ายโลกพระเจ้าประทานสติปัญญากับการอย่างรู้อันลึกซึ้งการอย่างรู้ก็หมายถึงการที่สามารถคาดคะเนหรือสามารถที่จะเกิดความมีจิตวิเคราะห์จิตสังเคราะห์ ตลอดจนรวมถึงความฉเฉลียวฉลาดในทุกๆด้านครับที่จะรู้ทันและรู้ใจคนพี่น้องครับการอย่างรู้อันลึกซึ้งและความเข้าใจกว้างขวางมี3ประเภทครับคือสติปัญญาการอย่างรู้ลึกซึ้งและความเข้าใจกว้างขวางชุดคเนทั้ง3าประการนี้ครับได้บรรยายถึงลักษณะของสติปัญญาความฉเฉลียวฉลาดความรู้ทันรู้ใจและรู้ลึก ในด้านต่างๆทุกๆด้านกว้างขวางสุดคะเนมีความหมายว่าสิ่งต่างๆที่โซโลมอนรู้นั้นเป็นสิ่งที่มากมายเหลือเกินดังเม็ดทรายในทะเลพี่น้องครับพระเจ้าประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ที่แสวงหาพระองค์สิ่งเหล่านี้ก็จะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อคนคนนั้นแสวงหาพระเจ้าผลก็คือความสําเร็จ พี่น้องครับขณะที่โซโลมอนคองราศเขาได้ใช้สติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อไรก็ตามที่เขาได้ใช้ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและัจะเกิดผลก็คือเมื่อเขาแสวงหาพระเจ้าความจริงแล้วคนฉลาดไม่ได้รับประกันได้ว่าจะเกิดผลที่ดีเสมอไปเพราะอะไรครับ เพราะว่าคนฉลาดที่ขาดคุณธรรมคนฉลาดที่ขาดสติปัญญาฝ่ายวิญญาณคนฉลาดที่ไม่สำนึกในการสแสวงหาพระเจ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมจะไม่ได้ครับแต่โซโลมอนขณะที่เขาคองรากในช่วงแรกนั้นเขาสแสวงหาพระเจ้าเขาขอสติปัญญาจากพระเจ้าทำให้งานของเขานั้นหรือผลงานของเขามีประสิทธิภาพสูงครับอาณาจักรอิสราเอล มั่นคงสงบสุขปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองในสมัยของโซโลมอนมักจะถูกมองว่าเป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จที่ดีที่สุดสูงสุดทุกประเทศที่รู้จักโซโลมอนในสมัยนั้นก็จะยกย่องและให้ความสำคัญเราเห็นว่าคนที่พระเจ้ายกย่องก็มักจะได้รับการเล็ก g อกไนหรือการยกย่องจาก คนดีๆที่อยู่ในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับพระธรรมสุภาษิตนั้นก็ได้บันทึกถึงความสําเร็จต่างๆเหล่านี้ครับและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้คือพระเจ้าครับทําให้ผมนึกถึงสดรดีบทที่127ครับข้อ1ข้อ2ได้กล่าวว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านคนที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า พี่น้องครับไม่ว่าเราจะมีความสามารถในการสร้างบ้านปกครองเมืองถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่เบื้องหลังจะนำมาซึ่งความเหน็ดเหนื่อยเพราะเป็นการเหน็ดเหนื่อยที่ท่านต้องลุกขึ้นแต่เช้ามืดกระขือกระหอบกินอาหารเพราะพระเจ้าทรงประทานให้แก่ผู้ที่รักพระองค์ให้หลับสบายพี่น้องครับการพักผ่อนที่แท้จริงมาจากพระเจ้าการหลับนอนหลับที่แท้จริงมาจากพระเจ้าความสุขใจ ความสงบที่แท้จริงมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นของประทานจากพระเจ้าล้วนๆครับพี่น้องถ้าเราสแสวงหาการแก้ไขจากมนุษย์จากวิธีการต่างๆย่อมไม่เท่ากับการที่พระเจ้าชี้นิว้วพระเจ้าประทานพระเจ้าจัดให้ครับสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้โซโลมอนนั้น ก็เป็นเสมือนเครื่องมือเป็นต้นทุนที่โซโลมอนนั้นจะนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของแผ่นดินอิสราเอลเพื่อประชากรของพระเจ้าแต่เห็นได้ชัดว่าสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับโซโลมอนนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเครื่องรับประกันความสำเร็จครับไม่ใช่เป็นเครื่องรับประกันความสำเร็จว่าเขาจะไม่ผิดพลาดเลยโซโลมอนได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับของประทานจากพระเจ้าในฐานะ สกษัตริย์ของชนชาติที่พระเจ้าได้ทรงเลือกเขาไว้พี่น้องครับแต่ตำแหน่งนี้มาควบคู่กับความรับผิดชอบทางด้านจิตวิญญาณด้วยครับจะต้องมาพร้อมกับการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ามาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้นั่นแหละครับคือที่มาของความสําเร็จอย่างรุ่งเรืองจริงๆของโซมอนในพระคัมภีร์ได้ เปรียบเทียบความเฉลียวฉลาดของโซลมอนว่าเขาฉลาดยิ่งกว่าบรรดานักปราศของทิศตะวันออกนั่นหมายความว่านักปราศของอาณาจักรอัลซีเรียในสมัยต่อมานะครับอาณาจักรทั้งจีนนะครับอินเดียทั้งหลายแล้วก็ไปทางใต้ครับปราชศทั้งปวงของอียิปต์ทรงฉลาดกว่าใครๆและรวมทั้งเอทานเอธานนี่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเฮมาน คาโคลและดาราดาบุตรทั้งหลายของมาโฮพี่น้องครับจะมีบางเผ่าพันธุ์หรือบางตระกูลเนี่ยที่มีความเฉลียวฉลาดนะครับความฉลาดนี้ก็สามารถถ่ายทอดให้กับลูกหลานได้ครับเป็นพันธุ ก, กรรมนะครับหรือเรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์ครับพี่น้องครับความเฉลียวฉลาดก็เป็นกรรมพันธุ์ได้เช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าครอบครัวของมาโฮครับลูกทั้งหลาย ของมาโฮนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากแต่ความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาจากพระเจ้านะอยู่เหนืออยู่เหนือเกจิติกหรือพันธุกรรมครับ้เห็นว่ากษัตริย์โซโลมอนนั้นฉลาดกว่าทุกทุกคนในสมัยของเขาถ้าเปรียบเทียบในสมัยนี้กษัตริย์โซโลมอนก็น่าจะเทียบได้กับไอไต์ le, หรือเทียบได้กับสตีเฟนฮอว์ิงนะครับนั่นแหละครับ คือคนที่มีความเฉลิมฉลัดมากที่สุดแต่คนที่มีความเฉลยมฉลองมากที่สุดนั้นได้รับสิทธิ์ในการปกครองแผ่นดินของอิสราเอลแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าสุดยอดครับ mm hmm. เราต้องให้คนดีมีสติปัญญาเป็นผู้นำและปกครองบ้านเมืองครับอย่าให้คนไม่ดีขึ้นมาปกครองขึ้นมามีอำนาจเพราะว่า เขาจะนําองค์กรนําสถาบันนําประเทศชาตินําชุมชนบ้านเมืองไปสู่ความตกต่ําหลายครั้งเราจะเห็นว่าประชาชนก็เลือกผิดนะครับไม่ได้เลือกจริยธรรมคุณธรรมมาก่อนครับแต่ไปเลือกคนที่มีความล่ํารวยหรือคนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่มีบา ร, รมีคนที่เคยมีบุญคุณ พี่น้องครับพระเจ้านั้นได้ให้หลักการของผู้นาก็คือว่าเขานั้นจะต้องมีสติปัญญาเป็นฐานครับแต่ต้องมีคุณธรรมนําความรู้คุณธรรมนําสติปัญญาเขาคุณธรรมก็จะเป็นเข็มทิศและจูงเขาให้ไปสู่ทางที่ถูกต้องและนําความสงบสุขความผาสุขความรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา มาถึงชุมชนสถาบันหน่วยงานองค์กรประเทศชาตินั้นๆได้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำในทุกๆระดับครับที่จะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าหากขาดสติปัญญาทูลขอครับและก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีจริยธรรมมีคุณธรรมมีอินเทกริตี้มีความเป็น ผู้นำฝ่ายวิญญาณมีพระเจ้าของพระเจ้าและมีชีวิตที่เชื่อฟังสัมเดงถึงพระเจ้าพระเยซูเพื่อที่เราจะเป็นผู้นำที่พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งไว้และเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณนำความเจริญก้าวหน้ามาถึงหน่วยงานที่เรารับผิดชอบองค์กรที่เราผิดชอบสถาบันที่เรารับผิดชอบและนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของสังคมชุมชนและประเทศชาติต่อไป อเมน